อาจจะเป็นพระเมชีหรือครว่าถ้าอยากจะอยู่ที่นี่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่หรืออยู่ด้วยความสบายใจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากเลยนะก็คืออยากคาดหวังความสบายจากที่นี่ถ้ามาที่นี่พอหวังความสบายไม่ว่าจะสบายในความหมายไหนเนี่ย ก็อาจจะผิดหวังได้แต่ถ้าตั้งใจมาที่นี่เพื่อฝึกฝนตนนะก็มีโอกาสที่จะสมหวังและจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการมาอยู่ที่นี่ที่บอกว่าเนี่ยถ้าหากว่ามาที่นี่เพื่อหวังความสบายเนี่ยจะผิดหวังก็เพราะว่าที่นี่มันก็มี ความไม่สะดวกสบายหลายอย่างเริ่มตั้งแต่ความไม่สะดวกสบายทางกายภาพบางคนามาได้กุฏิที่เล็กห้องน้าก็ไม่สะดวกแถมยังต้องนอนพื้นนะเคยนอนเตียงนุ่มๆที่บ้านมีเครื่องปรับอากาศห้องก็โอโทงห้องน้าก็สะดวกสบาย แต่ที่นี่มันไม่ใช่ทั้งๆ ท, ที่มันก็ดีกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วแต่สราบหลายคนโดยเฉพาะคนที่คาดหวังความสบายจากสถานที่เนี่ยก็จะผิดหวังได้ง่ายความไม่สบายอาจจะเกิดจากมดมแมลงทั้งในที่พักตามกุฏิหรือว่า ในศาลาอยู่ที่บ้านมันไม่มีมดไม่มีมแมลงมากมายแบบนี้ น, นี่ก็คือความไม่สบายอย่างหนึง่งบางคนก็รู้สึกว่าอาหารนี่ไม่ถูกปากก็มีประจำนะบนว่าเนี่ยอาหารมีเนื้อสัตว์น้อยนะมีแต่ผัก อันนี้ก็เป็นเสียงบนที่ได้ยินมาอยู่เรื่อยๆทุกปีหรือว่ามันไม่อร่อยเนี่ยถ้าหวังความสบายจากอาหารก็จะผิดหวังแล้วความไม่สบายหรือความไม่ถูกใจอย่างนี้นคือคนที่แวดล้อมเพราะว่าคนที่มาอยู่ที่นี่ก็ มาจากหลายทิศหลายทางมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันแทบจะไม่รู้จักกันเลยมาก่อนแลบางคนก็รู้สึกขัดอกขัดใจคนนี้คนนั้นช่างพูดเลอเกินเรากำลังปฏิบัติอยู่ดีๆก็มาชวนเราคุยหรือบางทีก็คุยกันเองส่งเสียรบกวนเราแทนที่เราปฏิบัติ กางกค่ำกลางคืนแล้วก็ยังคุยกันเสียงดังบางทีอาจจะไม่ได้คุยกันเองนะแต่คุยทางโทรศัพท์เสียงก็ดังข้ามกุฏิมาจนรู้สึกรบกวนรู้สึกลำคาญบางคนก็จู๊ดจี้ขี้บนชอบเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มามาเล่ามาระบายให้เราฟังจนเรารู้สึกลำคาญ ร, รู้สึกงุดหงิดบางคนก็ เวลาสวนนี่ก็สวนไม่ฟังใครเลยนะสนใจแต่ตัวเองสวนแล้วนี่มันจะไปเข้ากับคนอื่นหรือเปล่าไม่สนใจบางทีเสียงสูงเสียงต่ำไม่เข้ากับคนอื่นเลยหรือนอกนัก้นบางคนก็ห็นแก่ตัวทำงานก็กิกนแรงหรือว่าชอบตังอาหารมากกว่าคนอื่น อ้างว่าจะไปเลี้ยงแมวนะแต่ทำให้คนข้างหลังนี่ไม่ได้กินหรือมีอาหารน้อยลงไอ้แบบนี้คือสิ่งที่ต้องเจอเป็นประจำนะบางคนบอกว่าเนี่ยอุตสาห์นะหนีคนเหล่านี้ในที่ทำงานแล้วต้องมาเจอคนแบบนี้ในวัดก็เลยรู้สึกผิดหวังรู้สึก ง, งุนงงอันนี้ก็เพราะคาดหวัง ความสบายหรือความสงบจากที่นี่ว่ามันจะมีไม่เหมือนที่ที่เราจากมาพอเจอเข้าก็จะรู้สึกผิดหวังหรือว่ารู้สึกหมุดหงิดก็ให้รู้เท่านะว่าความรู้สึกนี่มันเกิดจากการที่เราคาดหวังความสบายจากที่นี่แต่ถ้าเราตั้งจิตว่าเนี่ยเรามาที่นี่เพื่อฝึกฝนตนเนี่ย เอกสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันจะกลายแปลเปลี่ยนไปเลยนะมันจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มารบ ก, กวนราคาญให้เราไม่มีความสุขไม่มีความสงบแต่มันจะกลายเป็นแบบฝึกหัดให้กับเราเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกเรานะตั้งแต่ฝึกการมีชีวิต อ, อ, อยู่อย่างเรียบง่ายโดยเพราะผ้าหลายรูปเนี่ยจะมาจาก ครอบครัวที่สบายนะได้รับการดูแลใจเอาใจใส่อย่างพ่อแม่นะตามภาษาลูกชายนะพอมาที่นี่มันก็มีอะไรที่ไม่สะดวกสบายอย่างที่เคยคุ้นเคยบางทีพอเป็นพ้าแล้วนี่ก็เรียกร้องความพิเศษหรือสิทธิ์พิเศษนะจากญาติโยม ต้องกินดีกับคนอื่นก็เลยไม่รู้จักการใรช้ชีว อ, อย่างเรียบง่ายให้การมาอยู่วัดการมาบวชการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าเจอความไม่สบายยิ่งดีนะมันช่วยทำให้เราเนี่ยรู้จักเรียนรู้การมีชีว อ, อย่างเรียบง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่คู่ควรเหมาะสมนะกับ พระแล้วก็นักปฏิบัติแล้วมันยังเป็นการฝึกให้เรารู้จักทําใจยอมรับสิ่งต่างๆนะคนเราเนี่ยมักจะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งนอกตัวเจออาหารที่ไม่อร่อยก็ก็เรียกร้องให้ก็ทําให้มันอร่อยไม่มีเนื้อก็ให้มันมีเนื้อ ไปเรียกลองไปจัดการคนอื่นแต่ว่าลืมจัดการกับใจของตัวอันนี้แหละเป็นโอกาสที่เราได้ฝึกทําใจทําใจไม่ใช่ทําใจอดทนต่อสิ่งต่างๆนะแต่ว่าทําใจยอมรับสิ่งต่างๆด้วยถ้าคนเรารู้จักยอมรับสิ่งต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางนะโอ้มันมีประโยชน์มากเลยพอจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราเจอนะ แต่มาเกิดจากใจที่มันผักใส่สิ่งนั้นเจออะไรมันก็ไม่ทําให้เราทุกข์เท่ากับใจที่มันผักใส่สิ่งนั้นหรือใจที่รู้สึกลบกับสิ่งนั้นเช่นบนโวยวายตีโพยตีพยแต่พอปรับใจหรือทําใจยอมรับนี่มันไอความทุกข์นี่มันหายไปเยอะเลยนะความขัดอกขัดใจมันหายไปเรียกว่าเกิดความรู้สึกเบาขึ้นมาเลย แม้แต่ความปวดความเมื่อยนะถ้าผักสายมันก็ยิ่งทุกข์แต่พอยอมรับมันได้มันโล่งเลยนะสิ่งที่โล่งคือใจกายยังปวดอยู่นะแต่ใจเบาสบายมากขึ้นหรือการที่คนเราจะยอมรับอะไรต่างเนี่ยด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยมันต้องมีสิ่งหนึ่งนะก็คือรู้จักเท่าทันความไม่พอใจที่เกิดขึ้น เห็นใจที่มันบน่นวอยวายตีโพยตีปลาเห็นความรู้สึกหงุดหงิดที่เกิดขึ้นบางคนพอห ง, งุดหงิดก็อดทนเอาอดทนอดกลั้นกลายเป็นการเก็บกดไปถึงพอวันดีขึ้นดีก็อันไม่อยู่ก็ระเบิดนะปริแตกแต่ว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านะั้นคือรู้ทันนะให้ความรู้สึกหงุดหงิดความไม่พอใจที่เกิดขึ้น พอถ้ารู้ทันด้วยสตินี่มันมันจะวางเลยนะมันไม่ต้องเก็บไม่ต้องกดไม่ต้องอัดไม่ต้องอั้นมันจะวางความสูงหงุดหงิดคุณเคืองมันก็จะไม่มารบกวนจิตใจและการที่เราจะฝึกรู้ทันความหงุดหงิดความคุณเคืองจะทำได้ยังไงนะก็ต้องมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นก่อนต้องมีความขุนเคืองเกิดขึ้นก่อนและความหงุดหงิดความ <c oughs> ความโง่เงดความขุนเคืองมันจะเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่เจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอความไม่สบายใจนะหรือเจอสิ่งที่กระทบใจหรือกรทบกระทบกายดังนั้นการที่มีอะไรมากระทบและทำให้ขัดเคืองใจหรือเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยมันเป็นของดีนะสำหรับคนที่มุ่งฝึกฝนตนแต่ถ้าว่ามุ่งความสบายเนี่ย มันจะกลายเป็นของไม่ดีไปซึ่งที่จริงเนี่ยการที่จะหาความสบายนี่มันไม่ควรจะมาหาจากวัดนะเพราะวัดไม่ใช่รีสอร์ตไม่ใช่โรงแรมนะแล้วก็ไม่ใช่สถานของสถานพักพื้นคนชราเนี่ยรีสอร์โรงแรมสถานพักพื้นคนชรานี่มันมีเป้าหมายอย่างหนึง่งหรือมีลักษณะอย่างนีง้คือทำให้เกิดความสบายแก่ผู้อยู่อาศัย แต่นั่นไม่ใช่เป็นจุดหมายของวัดหรือของสถานปฏิบัติธรรมจุดหมายของวัดสถานปฏิบัติธรรมคือการฝึกแล้วฝึกการฝึกใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ดีก็เจอก็เกิดจากการที่เจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอเจอสิ่งที่ขัดใจนะคำว่าขัดใจคือขัดใจให้มันเกลี้ยงเกลาขัดกิเลสไม่ใช่ติดขัด จนเกิดความคุนเคืองแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความติดขัดในใจมันก็เอามาใช้เพื่อขัดใจขัดกล่าวจิตใจให้ให้ผ่องแผ้วนะได้เหมือนกันไม่ต้องรู้อยากช่วยประโยชน์นะหาประโยชน์จากความไม่สบายที่เกิดขึ้นหรือความไม่สงบที่เกิดขึ้นไม่ว่าความไม่สงบทางกายหรือความไม่สงบ ในใจเนี่ยเอามาใช้เพื่อขัดเกลวจิตใจเอามาใช้เพื่อฝึกสติให้รู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นและยิ่งถ้าคิดต่อไปว่านะเออเรามาเพื่อฝึกใจฝึกตนเพื่อพร้อมรับมือกับความทุกข์ที่หนักหนาในวันข้างหน้าออพวกเราทุกคนเนี่ยนะ วันนี้อาจจะสบายอาจจะปกติสุขนะแต่ว่าให้รู้เถอะว่ามันมีสิ่งที่หนักหนาสาหัสรอเราอยู่ในวันข้างหน้าไม่ว่า จ, จะเป็นความสูญเสียของรักคนรักบางทีคนรักอาจจะไม่ได้สูญเสียคือล้มหายตายจากแต่ว่าเขาก็มีความทุกข์ที่สร้างความกระตุวมให้กับเราถ้าเราไม่รู้จักวางใจ ว่าสุดท้ายเราก็ต้องเจอความเจ็บความป่วยที่รักษาหายก็มีแต่ต่อไปก็จะรักษาไม่หายทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนะมันจะประดังประเดเข้ามาความไม่ถูกใจนาน า, นาชนิดมันก็จะเกิดขึ้นกับเราอาจจะไม่ใช่คาวันสองวันแต่ จ, จะเป็นเดือนๆือนหรือเป็นปีปีเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนสมัยเนี้ย อายุยืนก็จริงนะแต่ว่าปลาถึง10ปีสุดท้ายเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เจอความเจ็บป่วยนะที่ยืดเยื้อเรื้อรังและส่วนใหญ่ก็ไม่เคยรู้จักเตรียมใจเพื่อรับมือสิ่งเหล่านี้เลยเพราะไปเพลินกับชีวิตที่ล้นหลาไปเพลินกับความสะดกสบายที่สแสวงหาแต่หารู้ไหมว่าเนี่ยบ้านปลายชีวิตเนี่ย มันไม่ใช่แค่ 4-5 ห้าวันหรือสองสาอาทิตย์นะมันเป็นปีที่ต้องเจอความเจ็บป่วยที่เรื้อรัง 90% ของคนที่มีอายุยืนเป็นอย่างนั้นถ้าถามว่าใจเราพร้อมหรื อ, อยังที่จะเจอกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเจอถ้าเพียงแค่ความไม่สุดกสบายทางกาย เจอคนที่ไม่น่ารักนะมาส่งเสียงดังมานะจู้จี้ขี้บน่นหรือว่าทำตัวไม่ถูกใจแล้วเราก็ยังอดรนทนไม่ได้อดไว้ไว้ตีโพยตีพายแล้วพอถึงเจอทุกข์ในวันหน้าแบบที่ว่านี่มันจะไปไหวมันจะไปรอดเลยถ้ามันมีให้ถือว่าเนี่ยเรา ตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ปกติสุขก็ต้องฝึกให้มันเต็มที่อย่างที่เขาพูดว่าเนี่ยยามสงบเราฝึกยามสึกเรารบนะตอนนี้เนี่ยถ้าชีวิเราราบรื่นนะไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากก็เรียกว่าเป็นยามสงบนะแล้วยามสงบนี้ควรจะทำอะไรไม่ใช่เพลิดเพลินนะหรือแสวงหาความสบายเยลือกรองความสบายแม้กระทั่งเวลามาอยู่วัด ที่จริงควรจะใช้โอกาสนี่แหละนะมาฝึกฝึกจากอะไรก็ฝึกจากความไม่สุขสบายฝึกจากปัญหาต่างๆนะเพื่อได้มีความเข้าคล่องว่องไวในการยกจิตเหนือความทุกข์รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ทำความทุกยกับเราเนี่ยในทางจิตใจมันก็คืออารมณ์พวกนี้แหละแม้แต่ความทุกข์กายมันก็ซ้าเติมเรา ก็เพราะอารมณ์เหล่านี้แหละก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้แค่ทุกข์กายเดียวทุกข์ใจเดียวความทุกข์ใจเนี่ยที่มันซ้ําเติมความทุกข์ให้กับเราหนักนหนาสาหัสยิ่งกว่าความทุกข์กายสิเั้นในขณที่ยังไม่เจอยามศึกนะ ก, ก็ฝึกไปก่อนฝึกเต็มที่ยามสงบเราฝึกถึงเวลาเจอศึกหรือเจอ ปัญหาวิกฤตในชีวิตอเราก็จะได้พร้อมเผชิญรับมือกับมันเจอความสูญเสียก็ไม่เสียสูญเจอความทุกข์ของผู้คนคนรอบตัวที่เรารักก็ไม่ไปแบกเอาความทุกข์ของเขามาจนกระทั่งเรากินไม่ได้นอนไม่หลับกลับกลายเป็นภาระแทนที่จะช่วยเขา กับกลายเป็นตัวถ่วงเขาหรือว่าสร้างความทุกข์ให้เขาสิถึงเวลาป่วยก็เออมันต้องป่วยแต่กายใจก็ป่วยแต่ไม่มากเพราะได้ฝึกฝึกจิตเอาไว้แล้วไม่ใช่ฝึกแค่ความอดทนหรือขันตินะแต่ฝึกสติหรื อ, อยิ่งอันนั้นคือฝึกให้เกิดปัญญาจนรู้จักวาง ไม่ยึดติดถือมั่นว่าไอ้ความปวดเป็นเราเป็นของเรามีความปวดไม่มีผู้ปวดมีความแก่ไม่มีผู้แก่มีความทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์ถ้ามาทํทำถึงได้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะสบายและเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเมื่อเรามาเนี่ยควรจะมาเพื่อเพื่อฝึกตนนะวิธีการฝึกมันก็มีอยู่แล้วนะฝึกสติเป็นการฝึกไม่ใช่เพื่อ เพื่อหาความสงบในใจนะไอ้นั้นไม่ใช่เป้าหมายแต่มันจะเป็นผลที่เกิดขึ้นถ้าเราฝึกได้ถูกต้องคือฝึกให้มีสติมีความรู้สึกตัวใช้เวลาช่วงที่อยู่วัดนี่แหละเพื่อการฝึกฝึกสติสร้างความรู้สึกตัวเริ่มต้นด้วยการมัมีสติรู้กายเวลาเดินจงกรมเวลาสร้างจังหวะ มันถ้าขยันฝึกนะขยันเดินขยันสร้างจังหวะใหม่ๆ ม, มันก็จะทําผิดๆถูกๆต่อไปมันจะทาได้ถูกต้องเหมือนกับขี่จั ก, กรยานเนะี่ยไม่มีใครที่ขี่เป็นเลยนะทันทีที่ขึ้นขี่จั ก, กรยานใหม่ๆ ม, มันก็ล้มนะไม่เอียงซ้ายก็เอียงขวาก็เหมือนกันนะเวลาเราเจดจัสติมันไม่เผลอก็เพ่ง ไม่ค่อยรู้สึกตัวไม่ค่อยรู้นะว่ากายเคลื่อนไหวเวลาเดินจงกรมเนี่ยเดินไปนะไม่ทันสุดทางเลยทั้งที่ทางแค่3เมตรมันก็คิดไปซะและ้วไอ้ตอนที่ใจลอยเนี่ยนะคิดโน่นคิดนี่เนี่ยมันไม่รู้สึกเลยนะว่ากำลังเดินหรือตัวเคลอยอาเช่นเดียวกันเวลายกมือสร้างจังหวะเนี่ยองสังเกตดูเนี่ยพอสร้างเป็นจังหวะคุ้นกับจังหวะแล้วใจมันก็จะ ผีมันก็จะถลเอถลายไปทางอื่นแล้วพอมันใจพอใจมันลอยคิดโน่นคิดนี่ก็ไม่รู้สึกเลยนะว่ามือกําลังเคลื่อนแต่ว่ามันจะลอยไปสักพักนะไม่ช้าก็เริืมก็จะรู้ตัวว่าเผลอไปแล้วพอเผลอไปเนี่ยนะตัวที่รู้คือสติสติก็จะพาจิต ก, กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับการเดินกลับมาอยู่กับกายกลับมารับรู้มือที่เคลื่อน เช้าที่เคยอยากอันนี้ก็เรียกว่าเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมามองให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสติกับความรู้สึกตัวสติมันทำให้สติเป็นเครื่องกากับจิตให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวสติเป็นเครื่องพาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพอได้สตินี้มันกลับมาเลยนะกลับมารู้เนอรู้ตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา แล้วเดี๋ยวมันก็ไปใหม่พอไปใหม่พอมีสติรู้ทันมันก็พาจิตกลับมาจิตหู้จากความคิดหลุจากอารมณ์ก็กลับมาอยู่เนื้อกับตัวรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายอันนี้เรอู้กายนะต่อไปต่อไปมันก็จะรู้ใจคือรู้ทันความคิดและอารมณ์แต่ก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นความคิดไม่ค่อยเห็นอารมณนะ์พอรู้ตัวก็กลับมารู้กายแต่ต่อไปมันก็จะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ชัดขึ้นชัดขึ้น โดยที่ไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องใจเห็นแต่ว่าทำบ่อยๆมันก็เห็นเห็นเองเราต้องให้โอกาสสติในการทำงานสติถ้าเราให้โอกาสมันด้วยการเดินบ่อยๆเดินไปเรื่อยๆกลับไ ป, ก ล, บไปกลับมายกมือสร้างจังหวะครั้งแล้วครั้งเราเป็ น, เ ป, นเป็นพันเป็นหมื่นครั้งนี่คือการเปิดโอกาสให้สติได้ทำงานให้สติได้รู้ทันความคิรู้ทันอารมณ์ แล้วพาจิตซึ่งเผอจมอยู่ในความคิดและอารมณ์ออกมากลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอาการกลับมานี่แหละในขี่คือสิ่งที่สำคัญมันจะไปช่างมันแต่ให้กลับมาหลวงพ่อเขียนบอกเนี่ยมันเก่งตรงที่กลับมาอย่าไปวัดอย่าไปดูตรงที่มันไปเนีย่ยบางคนนี่ใบครบบังคับไม่ให้มันไป ก็เลยไปบังคับจิตให้มันแช่อยู่กับมือให้มันเพ่งอยู่กับเท้าไม่ต้องบังคับมันปล่อยมันมันจะไปก็ไปมันจะอยู่ก็อยู่คืออยู่กับกายหรือไปอยู่กับความคิดแต่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะรู้ได้ไวขึ้นรู้ตัวได้ไวขึ้นแล้วก็จะกลับมามันจะพาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมารู้กายที่เคลื่อนไหว ต่อไปก็จะเข้าใจนะเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเนี่ยมันเป็นยังไงทีแรกเห็นกายเคลื่อนไหวก่อนต่อไปก็เห็นใจยึดคิดนึกถ้วพอเรามีสติแบบนี้นะ เ, เวลาเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเวลาเจออะไรมากระทบเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ ง, ง่ายๆมันจะไม่เสเสเสเเสส่วนง่ายๆจิตมันจะมั่นคงนะจะไม่หลายไปตามอารมณ์ เวลาโกรธมันก็เห็นความโกรธไม่ใช่ปล่อยให้ความโกรธมาครอบงําเวลาเห็นความหงุดหงิดก็เห็นมันนะไม่ปล่อยให้มันบีบคั้นใจจนเป็นทุกข์พอทำอางนี้ไปเรื่อยๆสติไวรู้จักปล่อยรู้จักวางเห็นทันรู้ทันความพิรุธอารมณ์ใจมันก็จะสงบใจมันก็จะสบายแต่ว่าเวลาทํานี่ก็ต้องนะอย่าไปหวังความสงบนะ ให้ทำเล่นๆทำสบายๆนะหลวงพ่อเทียนนั่นแนะนาไว้ทาเล่นๆคืออย่าไปหวังผลรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไรอย่าไปหวังความสงบอย่าไปหวังรู้ทันความคิดหรืออารมณ์ไวๆนะทำโดยไม่คาดหวังคนเราเนี่ยถ้าคาดหวังอะไรแล้วเนี่ยมันผิดหวังได้ง่ายหรือผู้ย่างคือมันจะทุกข์ได้ง่าย ความทุกข์มันเกิดจากความที่ไม่ได้อย่างที่หวังนะอย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งที่เราเจอมันจะไม่ทำให้เราทุกข์มากกว่าการที่พบว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่หวังแต่ถ้าเราไม่หวังนะนะเจออะไรใจก็ไม่ทุกข์อย่างที่เคยพูดนะว่าเนี่ยรถติดมันไม่ทำให้จิตเราตกหรือทำให้เราหงุดหงิดแต่เป็นเพราะเราอยากจะให้มัน ถึงไวๆพออยากถึงไวๆเนี่ยพอรถไหลไปช้าๆก็รู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจไอ้ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากรถติดแต่เป็นเพราะเกิดจากความคาดหวังให้มันหวังวังไว้คาดหวั ง, วงให้มันไหลไปเร็วๆเช่นเดียวกันเนี่ยไอ้ความความทุกข์นะที่เกิดขึ้นหลายคนที่มาวัดเนี่ยเพราะหวังความสบายหวังความสงบ แต่พอไม่สบายอย่างที่หวังไม่สงบอย่างที่คิดก็เลยทุกข์จริงๆถ้าอยู่โดยปราศจากความคาดหวังยิ่งดีนะแม้ที่ตอนต้นบอกว่าเนี่ยถ้าอยากสบายก็อย่าหวังความสบายจากที่นี่เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ามาโดยไม่คาดหวังความสบายเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสบายจากที่นี่หรือจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันก็จะสบายขึ้นมาเองแต่เป็นเพราะความคาดหวังนั่นแหละนะ หรือความอยากในตรงนี้แหละที่มันทำให้เราทุกข์ง่ายเจออะไรที่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็ทุกข์และจริงๆพอคาดหวังแล้วมันก็อยากจะได้เห็นอย่างที่หวังพอไม่ได้อย่างที่หวังมันก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาละความอยากเสียได้ละความหวังเสียได้นะมันก็สบายขึ้นมาเองเหมือนกับเจริญสติเนี่ยถ้าไม่หวังความสงบ มันก็สงบได้ง่ายแต่พอหวังความสงบแล้วเนี่ยมันกลับสงบได้ยากนะเพราะว่ามันจะหงุดหงิดขัดเคืองใจไปหมดนะมีความคิดเกิดขึ้นก็รําคาญมีความคิดเกิดขึ้นก็หงุดหงิดนะก็ไปผักสายมันผักสายมันก็ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นและที่ผักสายกดข่มมันเพราะอะไรเพราะอยากจะสงบแต่พอไม่อยากสงบแล้วเนี่ยนะมันก็ยอมรับอะไรต่ออะไรได้นะฟุ้ง ก็ยอมรับได้มีความผิดเกิดขึ้นก็ยอมรับได้พอยอมรับได้ใจมันก็สงบเองแล้วเนี่ยเราถ้าเรามาที่นี่เนี่ยก็ตั้งจิตถามใจตัวเองว่าเนี่ยเรามาเพื่ออะไรเพื่อม า, ห, าอหวังความสบายหวังความสงบหรือเพื่อมาฝึกถ้ามาหวังหวังถ้าคิดว่ามาที่นี่เพื่อฝึกเนี่ยก็จะได้ประโยชน์เนะต็มที่จากการมาอยู่ที่นี่อย่างแน่นอน